พัสกาพเจ้าร่วมกันนะครับพี่น้องสบายดีนะครับสบายดีนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้ครับผมอยากจะนำพระคำของพระเจ้านะครับแล้วก็นำพระพรของพระเจ้านะครับมาแบ่งปันหนุนใจพี่น้องนะครับในช่วงนี้นะครับเนื่องจากที่ผ่านมาได้มีโอกาสนะครับไปค่ายสองค่ายนะครับค่ายที่ พี่น้องสัมพันธ์ของคริสตจักรของเรานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปร่วมรับใช้ที่ค่ายเยาวชนนะครับรวมพลเยาวชนนะครับนะฮะหัวข้อค่ า, ายของพี่น้องสัมพันธ์นะครับจงมีประสบการณ์ก <for> ับพระเจ้านะครับจงมีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วก็นะครับหัวข้อค่ายนะครับที่ผมมีโอกาสไปร่วมรับใช้เนี่ยก็หัวข้อบอกว่าจงชื่นชมยินดีในพระเจ้านะครับ เห็นได้ว่าเมื่อเรามีประสบการณ์กับพระเจ้านะครับอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเราจะชื่นช ม, มยินดีเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> ขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องรู้จักคาว่ากระแสไหมครับกระแสนะครับนะฮะ โอเคนะครับกระแสนะครับตามพจนานุกรมนะครับที่ผมหามานะฮะหมายถึงลมนะครับน้ำนะครับเป็นต้นท e an ี่ไหลแล้วก็พัดเรื่อยๆนะครับเป็นแนวเป็นทางไม่ขาดสายนะครับเช่นกระแสน้ำนะครับกระแสลมกระแสความกระแสความคิดนะครับกระแสสังคมเราเห็นได้ว่ามีหลายกระแสในปัจจุบันนะครับทั้งโลกออนไลน์นะครับไม่เพียงเท่านั้นในโลกปัจจุบันข่าวสารต่างๆนะครับ มีกระแสเรื่องการเมืองกระแสเร Lang ื่องเศรษฐกิจหลายอย่างมากมายนะครับถ้าเราติดตามนะครับกระแสเนี่ยนะครับถ้าอยู่กับคนที่มีทิพนนะครั บ, ค น, น ค, รบคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะครับแล้วเขาเป็นคนที่สร้างกระแสปล่อยกระแสเนี่ยนะครับทําให้ทำไมครับคนเนี่ยค่อนข้างที่จะสนใจนะนะฮะคนค่อนข้างที่จะสนใจคนค่อนข้างที่จะมาครับอยากจะติดตามบางคนก็อยากจะทําตามบางคนก็อยากจะเรียนแบบนะครับ เช่นเดียวกับชีวิตคริสเตียนครับนะฮะอะไรที่เป็นกระแสในคริสตจักรของเราอะไรที่เป็นกระแสหรือว่าอิทธิพลในคริสตจัก <BSCRI. S 1> รของเราอะไรที่เป็นกระแสฝ่ายวิญญาณที่เราเองควรจะเกาะกระแสแล้วก็ตามกระแสนี้ไปนะครับเพราะกระแสนี้ทําไมครับกระแสฝ่ยายวิญ ญ, ญาณเนี่ยจะทำไมครับเป็นลูกขึ้นที่ทำไมฮะเสริมสร้างชีวิตของเราพี่น้องที่รักครับในช่วงนี้ก็มีหนังสืออดอาหารไอ้ฐาน40วันเพื่อประเทศไทยใช่ไหมครับ แต่ผมก็ไม่ได้อดอาหารนะครับนะฮะนี่คือกระแสหนึ่งนะครับกระแสการฟื้นฟูนะครับนะฮะกระแสการบุกเบิกคริสตจักรนะครับ TCP ที่คริสคุณานุกูลก็ได้ทำนะครับมีกระแสต่างๆมากมายในคริสตจักรนะครับจริงๆเราเองนะีควรจะต้องเกาะกระแสบางอย่างตามคริสตจักรว่าคริสตจักรของเรามีกระแสอะไรบ้างอย่างน้อยการเกาะกระแสเพื่อเราเองจะมีส่วนร่วมในคริสตจักรด้วยการอธิษฐานก็ดี ด้วยการสนับสนุนก็ดีในพระวจนะของพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของกระแสเช่นเดียวกันนะครับในพระธรรมลูกาบทที่24ครับนะฮะทั้งบทเลยนะครับอย่างแรกเลยเรื่องของการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์มีกระแสหลายอย่างมากว่าเอ๊ะจริงไหมพระองค์ทรงคืนพระชนจริงไหมพระองค์เป็นขึ้นมาจริงหรือเปล่าอย่างที่สองก็คือมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ทําไมครับ พยายามจะใช้เงินปิดความจริงพยายามจะใช้เงินซื้อความจริงเพื่อทำไมฮะเพื่อปิดกระแสนี้นะครับแต่สุดท้ายความจริงก็คือความจริงนะครับเพชรคริสก็เป็นขึ้นมาจริงๆนะครับอย่างที่2นะครับในพระธรรมลู ก, กาบทที่24มีเรื่องของคน2คนที่เดินไปทำไมครับเดินไปเอมาอุสนะครับนะฮะพระอภิษฎบอกว่า2คนนั่นน่ะเขาทำไมครับเกาะกระแสเหมือนกันนะครับเกาะกระแสว่าเรื่องที่พี่เยซูเนี่ยเป็นขึ้นมาเนี่ยจริงหรือเปล่า แล้วเขาก็สนทนากันเรื่องนี้ต่อไปครับพระเยซูคริสต์นะครับปรากฏกับเหล่าสาวกนะครับในพระธรรมลูกาบทที่ยีนะครับนี่คือกระแสนึงที่เกิดขึ้นนะครับกับกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าสาวกของพระเยซูคริสต์นะครับและสุดท้ายการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ในลูกาบทยี่สิมี4เรื่องนี้นะครับถ้าเราเห็นนะครับในพระคัมภีร์นะครับพี่น้อง วันนี้ผมอยากจะเน้นเรื่องนะครับสองคนที่เดินไปเอมาอุสนะครับเขาไม่รู้เลยว่าเปโูนะครับนะฮะเดินไปร่วมกับเขาจนพระองค์ทำบางอย่างนะครับทําให้เขาเข้าใจว่านี่แหละเป็นพระองค์จริงๆพี่น้องที่รักครับนะครับผมได้บทเรียนง่ายๆนะครับว่าหลายครั้งชีวิตของผมเองนะครับหรือว่าชีวิตของเราเองเรามีปัญหาในเรื่องของการมองนะครับ อย่างชีวิตของผมเองพี่น้องที่ละครับนะฮะพี่เอซูมาปรากฏกับเราสาวกนะครับอย่างแรกที่พระองค์ทำคือสันนิษุขจงอยู่ท่ามกลางท่านพระองค์มาเพื่อให้สันนิษุขกับเราให้ความอุ่นใจกับเราให้ความปลอดภัยในการอยู่ในพระเจ้าแต่ทําไมครับหลายครั้งเรามีปัญหาในด้านของการมองเห็นเช่นเรามองไม่เห็นเพราะเราตาบอดอย่างที่สองครับเรามองไม่ชัดเลย เพราะเราอาจจะตาฟังอย่างสุดท้ายเรามองไม่ถูกที่ทาให้สาวกบางคนหรือว่าแม้กระทั่งเราตาขาวที่กลัวว่านี่เป็นกระแสรหรือเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าพี่น้องที่รักทั้งหลายครับในเช้าวันนี้ในพระธรรมลูกาบทที่24ี่ครับในข้อที่33ถึงข้อที่สามสิบถึงข้อที่48นะครับนะฮะผมจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับ ขณะที่พวกเขากําลังพูดเรื่องนี้อยู่พระเยซูเองทรงมายืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาและตรัสว่าสันติสุขจงดํารงอยู่กับท่านทั้งหลายพวกเขาสะดุ้งตกใจกลัวคิดว่าเห็นผีพรองค์ตรัสกับเขาว่าเหตุใดพวกท่านจึงวุ่นวายใจทําไมเกิดข้อสงสัยขึ้นในใจจงดูมือและเท้าของเรานี่เราเองมาจับต้องเราดูผีไม่มีเนื้อและกระดูกอย่างที่ท่าน เห็นอยู่ว่าเรามีเมื่อตัดดังนี้แล้วพระองค์ก็ทรงให้พวกเขาดูพาดและพระบาดของพระองค์และขณะที่พวกเขายังไม่เชื่อเพราะความตื่นเต้นยินดีและประหลาดใจพระองค์ก็ตัดถามพวกเขาว่าที่นี่มีอะไรให้กินไหมพวกเขาก็นำปลาย่างชิ้นหนึ่งมาถวายและพระองค์ทรงรับมาเสวยต่อหน้าพวกเขาพระองค์ตัดกับเขาว่านี่คือสิ่งที่เราบอกไว้เมื่อยังอยู่กับท่านทั้งหลายคือทุกสิ่งจะต้อง ทุกสิ่งต้องสำเร็จตามที่เขียนไว้เกี่ยวกับเราในหนังสือบัญญัติของโมเสสหนังสือผู้เผยพรชนะและในหนังสือสดุดีจากนั้นพระองค์ทรงเปิดใจเขาพวกเขาจะสามารถเข้าใจพระเพียงพระองค์ตัดบอกพวกเขาว่านี่คือสิ่งที่เขียนไว้พระคิดจะต้องทนทุกข์และเป็นขึ้นจากความตายในวันที่สามและให้ประกาศการกับใจใหม่และการให้อภัยบาปในนามของพระองค์ แก่มวลประชาชาติเริ่มตั้งแต่ที่ยเยรูซาเล็มท่านทั้งหลายคือพยานของสิ่งเหล่านี้เรากําลังส่งสิ่งที่พระบิลาของเราทรงสัญญาไว้มาให้พวกท่านแต่จงรอคอยอยู่ในกรุงนี้จนกว่าท่านจะได้รับฤทธิอานาจมาจากเบื้องบนเราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้านี้ที่เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้จักพระองค์ พระบิดาเจ้าข้าขอให้ประสบการณ์นี้ที่จะไม่เป็นแค่ในพ่อพีเท่านั้นแต่จะเป็นจริงในชุดของเราด้วยพระบิดาเจ้าข้าขอพระคำของพระเจ้านั้นที่จะหนุนใจพี่น้องเสริมกําลังแล้วก็เป็นข้อคิดในการที่เราเองนั้นจะใช้พระเจนะของพระเจ้าในการดําเนินชีวิตด้วยเราจรึงฝากเวลานี้ไว้กับพรงศ์อธิษฐานร่วมกันด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะครับ พี่น้องที่รักครับในพระธรรมลูกานะครับในบทที่24ข้อที่36ถึงข้อที่48ผมมีเรื่องย่อให้พี่น้องดูนะครับนะฮะที่ผมอ่านไปนะครับ โอเคครับนะขออภัยด้วยนะครับนี่คือเรื่องย่อนะครับนะฮะของพระธรรมตอนนี้นะครับว่ามีความสงสัยเกิดขึ้นท่ามกลางเหล่าสาวกมีความกลัวเกิดขึ้นท่ามกลางเหล่าสาวกพี่น้องเทลัคครับและในพระธรรมตอนนี้ก็เป็นพมพีที you, ่อยู่ในไข่ของพี่น้องสัมพันธ์ที่ผ่านมาด้วยในเดือนตุลาที่ผ่านมานะครับผมให้หัวข้อว่ามองดูพระเยซูคริสต์นะครับผมให้หัวข้อว่ามองดูพระเยซูคริสต์พี่น้องเทลัคครับการมองดูพระเยซูคริสต์ มีข้อดีหลายอย่างเลยในพระธรรมตอนนี้นะครับหนุนใจทั้งผมและก็พี่น้องด้วยว่าการมองดูท mm hmm. ี่พระเจ้านะครับการจดจ่อท kind of ี่พระเจ้าจดจ้องนะครับจดจําจดจ่อที่พระเจ้ามีข้อด uh ีหลายอย่างเลยแต่วันนี้นะครับยกมาให้3มอย่างด้วยกันนะครับที่จะนํามาแบ่งปันกับพี่น้องนะครับอย่างแรกครับเมื่อเรามองดูที่พระเจ้าพี่น้องที่รักครับเราเองจะมั่นใจในพระองค์ สาวกในตอนแรกครับนะฮะกลัวพี่น้องครับมีความกลัวมีความสับสนมากมายนะครับอย่างในคลิปที่บอกไปว่าเอ๊ะเขาไม่รู้เลยว่าพระองค์เนี่ยเป็นขึ้นมาจากความตายจริงหรือเปล่าเขามีความสงสัยอยู่นะครับนะฮะท่ามกลางเวลานั้นความกดดันต่างๆมากมายสาวกก็ทําไมครับมีความสงสัยนะครับมีความสงสัยนะฮะสิ่งแรกที่พระเยซูพูดกับเราว่านะครับวุ่นวายใจทําไมวุ่นวายใจทําไมนะครับ นะฮะไม่เพียงแค่การอวยพรสรรพสุขของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้วนะครับนี่เป็นคําถามที่ไม่ต้องการคําตอบเลยนะครับแต่ให้เราแล้วก็เหล่าวิวรได้คิดว่าเราวุ่นวายใจทําไมทําไมเราเองไม่ได้วางใจหรือไว้ใจในพระเจ้าทําไมจึงเกิดข้อสงสัยขึ้นเป็นปกติและธรรมดาครับที่ชีวิตคริสเตียนเราจะทําไมครับมีบ้างเมื่อเรารเผชิญสิ่งต่างๆมากมายเราอาจจะสงสัยบ้างแต่พี่น้องทีละครับความสงสัย วันนี้ถ้าเราได้รับคําตอบจากพระเจ้าเมื่อเรามองดูที่พปรง่งผมเชื่อว่าจะทําให้เราเองนั้นมั่นใจในสิ่งที่เราเชื่ออามีไหมครับหลายครั้งพุณน้องธีระครับผมเองมีประสบการณ์นะครับเมื่อเราและครอบครัวนะครับเราผ่านนะครับปัญหาเรื่องหนึ่งมานะครับก็มีเพื่อนบ้านของเรานะครับได้โทรมาหาเรานะครับแล้วก็บอกว่าอยากจะแนะนําอีกความเชื่อหนึ่งให้กับเรา สิ่งที่ผมมองคือผมเข้าใจในความหวังดีแต่สิ่งที่ผมเรียนรู้ว่านี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นทาให้เราเองรู้ว่าเราไม่จาเป็นจะต้องสงสัยพระเจ้าคำนี้พยายามพูดกับตัวเองแต่ถามว่าเรามีข้อบางอย่างไหมถามว่าเรามีเรามีคำถามเกิดขึ้นไหมนะครับเราเองก็อาจจะมีคาถามนะครับแต่พี่น้องที่รักครับวันนี้ พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าให้มองดูนะครับให้มองดูที่พระเยซูนะครับให้มองดูที่พระเยซูเพื่อเราเองนั้นจะมั่นใจเพื่อเราเองจะมั่นใจในพระเจ้านะครับเราเคยสับสนไหมครับเราเคยสับสนเราเคยเจอปัญหาไหมครับวันนี้มองดูที่พระองค์ด้วยกันเอเมนไหมครับมองดูที่พระองค์ด้วยกันพี่น้องที่รักครับ วันนี้สาวกนะครับเขามั่นใจในพระเจ้าเขามั่นใจในพระเยซูกิตพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางเขาปรากฏตัวให้กับเขาแล้วก็บอกว่าถ้าไม่เชื่อจับมือเราดูคําตัวเราดูจับตัวเราดูนะครับสาวกก็ทําไมครับสาวกก็ยังมีข้อสงสัยนะครับครั้งที่2อพระเยซูทำไมครับยืนยันเลยว่านะครับเราไม่ใช่ผีนะครับมีอะไรกินไหมหิวนะครับสาวกทำไมครับเอาปลาย่างให้พระองค์กินให้ดูเลย นี่คือการยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายจริงผีไม่เป็นอย่างนี้ครับนะฮะผีไม่เป็นแบบนี้นะครับพี่น้องถ้าเราดูลักษณะของผีนะครับลักษณะของผีในมาระโกบทที่5นะครับฮนะบในมาระโกบทที่5ข้อที่หนึ่งข้อที่7ครับพี่น้องคนนั้นอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพเขาคลั่งร้องอื้ออและเอาหินเชื้อเนื้อตัวเองอยู่เสมอ พระองค์ต้องการอะไรจากข้านี่คือคําพูดที่ผีพูดกับเพยซูนะครับผีไม่ไม่ได้เป็นแบบเพยซูและเพยซูไม่ใช่ผีพี่น้องที่รักครับลักษณะของผีคืออยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่เขาอยู่ในอุโมงค์ฝังศพเพยซูไม่ได้อยู่ในอุโมงค์ฝังศพแล้วพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆแล้ววันนี้สาวกจะต้องทําไมครับมองดูที่พระองค์ด้วยความเชื่อและด้วยความมั่นใจวันนี้นะครับผีนะครับทําในสิ่งที่ไม่ควรทําพี่น้องนะครับ เขาเอาหินนะครับเชือดเนื้อเถื่อนังตัวเองทำร้ายตัวเองบางทีอาจจะทำร้ายคนอื่นด้วยพ่นพี่บอกว่าเขาทำไมครับเคยล่ามโซ่ละแต่เอาไม่อยู่นะครับพระเยซูไม่ได้เป็นแบบนั้นผีนะครับมักจะพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดพีิรองธีล่ะครับท้าทายพระองค์นะครับทดลองพระองค์แล้วก็ทำไมครับเหมือนจะหาเรื่องพระองค์พระเยซูไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนี่คือการยืนยันของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นชนอยู่และเป็นขึ้นมาจริงๆ วันนี้พี่น้องที่รักครับหนุนใจให้เรามองที่พระเจ้าเพื่อเราจะเห็นพระองค์นะครับมองที่พระองค์แล้วก็เห็นพระองค์วันนี้ความจริงของพระเจ้าของพระเจ้านั้นถูกยืนยันด้วยตัวของพระเยซูคริสต์เองว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆนะครับผมไม่ได้สังเกตนะครับทางขึ้นประตูข้างล่างนะครับจะมีป้ายป้ายหนึ่งเป็นป้ายโฟมนะครับเขียนด้วยตัวหนังสือสีแดงนะครับว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่นะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้สังเกตเหมือนกันนะครับ ต่ดตั้งแต่อีสเตอร์แล้วพี่น้องทีรัครับนะฮะวันนี้เราเชื่อไหมว่าพระเยซูคริสต์ยังทรงพระชนอยู่เท่า น, นี้เราเชื่อเราจะมองดูที่พระองค์ด้วยกันแม้ว่าเราจะพบเจออุปสรรคปัญหาอะไรมากมายเอเมนไหมครับเราจะมองดูที่พระองค์ด้วยกันวันนี้พระองค์นำความชื่นชมยินดีนําสันนิสุขมาอยู่ท่ามกลางเราพี่น้องที่รัครับวันนี้ถ้าพี่น้องพบเจอปัญหาอะไรมากมายวันนี้ให้เรามองดูที่พระเจ้าด้วยกันเพราะพระเจ้าเป็นผู้ประทานสันนิสุคให้กับเรา ในประการที่2ครับนะฮะเมื่อเรามองดูที่พระเจ้าแล้วเราเองจะเข้าใจนะฮะเราเองจะเข้าใจในพระองค์พี่น้องที่รักครับพระคัมภีร์ในข้อที่45ได้บอกว่าแล้วพระองค์ทรงช่วยให้ใจของเขาสว่างเพื่อเขาจะเข้าใจพระคัมภีร์สิ่งที่ผ่านมาที่สาวกได้อยู่กับพระเยซูนั้นไม่สูญเปล่าไม่เสียเปล่านะครับและนี่เป็นการยืนยันของพระองค์ว่าพระองค์ทรงอยู่กับเขาจริงๆ นะครับหลายครั้งเราเห็นว่าเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับเราเราไม่เข้าใจนะครับแต่เรามีสิทธิที่จะถามพระองค์ว่าทําไมพระองค์เจ้าค้าจึงเกิดขึ้นกับเราทําไมจึงเกิดขึ้นกับเราแต่สุดท้ายพระองค์เท่านั้นที่เป็นผู้ช่วยให้ใจของเขาสว่างขึ้นตาของเขาได้เข้าใจหัวใจของเขาได้เปิดออกด้วยความเข้าใจว่าพระคัมภีร์ที่พระเยซูทรงพูดนั้นเป็นจริงและสําเร็จในพระองค์แล้วพี่น้องทีรท่รักที่รักพี่น้องที่รักครับ รพระองค์ทรงช่วยให้เราเข้าใจนะครับผ่านทางพะงระเจ้าของพระเจ้าผ่านทางความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์ผ่านทางเวลาที่เราใช้กับพระองค์นะฮะอยากจะขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องจริงๆผมตัดรูปสองรูปของผมไปนะฮะ เ, เมื่อหลายเดือนที่แล้วพี่น้องที่รักครับผมเนี่ยมีความกังวลใจมากๆแล้วผมมองไม่เห็นชัดมองไม่ถูกที่ ทำให้เกิดความอ่อนแอทำให้เกิดความท้อแท้ทำให้เกิดความหมดหวังนะครับและสุดท้ายนะครับผมเนี่ยนะครับโดนน้องๆแซวเลยนะครับแต่เป็นเรื่องจริงว่าเหมือนศพเดินได้เลยไม่มีชีวิตพี่น้องที่รักครับนะฮะก่อนจะถึงค่ายประสบการณ์กับพระเยซูนะครับมองดูที่เราละความกังวลกระวายทุกอย่างและมองดูพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วและพระองค์ทรงเป็นจริงไม่เพียงแค่ในพมพีเท่านั้นแต่พระองค์ทรงเป็นจริงในชุดของเราด้วยอยากจะหนุนใจครับอย่าให้เราใกล้ชิดกับพระเจ้าเมื่อเราเข้าใจพระองค์นะฮะเมื่อเราเข้าใจในพมพีเราจะเห็นแผนการของพระเจ้าในชุดของเราด้วยนะฮะอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้มองเห็นนะครับแล้วก็เข้าใจในพระเจ้าการที่3ครับนะฮะในประการสุดท้ายนะครับ ในพัมพีร์ในข้อที่47นะครับได้บอกว่าและจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์เรื่องการกลับใจใหม่เพื่อการยกบาปและเริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับการที่พระเยซูคริสต์ถูกตึงที่บนไม้กางเขนก็เพื่อเราทั้งหลายนะฮะก็เพื่อเราทั้งหลายนะฮะเพื่อเราเองนั้นจะทําไมครับได้รับพระคุณของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับเมื่อเรามีปัญหาถ้าเรามองดูที่อย่างเขนเราจะเห็นพระคุณที่ทําไมครับเราเองไม่สมควรได้รับใช่ไหมแต่เรากลับได้รับ พระองค์ทรงรักทุกคนเลยนะครับพระองค์ทรงรักทุกคนแล้วทางเข้าประตูโบสถ์พี่นักเที่ยละครับมันเปิดกว้างมากเลยนะแล้วประตูนะครับข้างล่างก็ทําไมครับก็เปิดกว้างสําหรับทุกคนเลยเพราะฉะนั้นพระคุณของพระเจ้าก็ทําไมครับเพียงพอสําหรับทุกคนในพระอภิีได้บอกว่านี่จะต้องเป็นจริงคือการประกาศพระนามของพระเจ้าจะต้องทําไมครับเป็นจริงพี่นักเที่ยละครับ <laughs> ผมหนุนใจตัวผมเองได้ว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นจริง พระ อ, องค์มาเพื่อที่จะมอบความรักมาเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับไม่เพียงแค่คริสเตียนเท่านั้นแต่พระ อ, องค์ทรงรักทุกคนเลยหนุนใจครับพี่น้องหลายครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่มีใครแต่วันนี้พระเจ้าอยู่ด้วยกับคุณนะครับหลายครั้งนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นคนรอบข้างแต่จริงแล้วพระตาเราฟังไหมเพราะเรามองเขาไม่ชัดไหมแต่วันนี้พเพยสุขิตทรงอยู่ด้วยกับคุณนะครับ ผมชอบนะครับพระผีตรงครับผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับผมแปลภาษาไทยมาครับนะครับสามสิ่งครับที่พระเยซูทรงทำนะครับและจะต้องทําต่อไปในฐานะของผู้รับใช้และคริสเตียนนั่นคือการสั่งสอนนะครับพระวจนะของพระเจ้าการประกาศพระนามของพระเจ้าและการรักษาโลกนี่คือนะครับการบูรณาการนะครับด้วยการประกาศที่เป็นทำไมครับองค์รวมพี่น้องที่รักครับนะฮะพระองค์ทรงดูแลทั้งจิตวิญญาณจิตใจและร่างกาย วั น, นี้หนุนใจเราทั้งหลายครับให้เราเองนั้นมองเห็นพระองค์เข้าใจพระองค์เพื่อเราเจะนำเราเองกลับมาหาพระองคเพื่อเราเองจะนำคนข้างๆครอบครัวของเรากลับมาหาพระเจ้ากลับมาสู่พระคุณและความรักของพระเจ้าเหมือนที่เราเคยเดินจูงมือกับพระองค์ในสวนเอเดนเหมือนที่อาดัมกับไอวาเคยจูงมือด้วยกันแล้วน้ัสการพระเจ้ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์แต่ว่าหนึ่งพราะความไม่เชื่อฟังทําไมครับเขาเองก็ทําไมฮะเขาเองถูกตัดขาดจากพระเจ้า แต่พระคุณของพระเจ้าก็เพียงพอครับเลยสรงพระเยซูคริสต์พี่น้องแผนซ้อนแผนมากๆมาสตานคิดว่าทําไมครับมันจะทําำลายพระองค์ด้วยการฆ่าชีวิตของพระองค์แต่หลังจากนั้นพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายประสบการณ์ของผมกับพระเจ้านะครับผมก็เลยรู้ว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นจริงแค่ในพมพีแต่พระเจ้าเป็นจริงจริงพี่น้องสําหรับชีวิตของเรา ผมมีเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังครับผมตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าภูเขาที่ยังมองเห็นนะครับสมัยที่ผมเรียนพระคิสธรรมพยานะครับพี่น้องนี่คือผมนะครับนี่คือผมนะครับทุกเช้านะครับเขาจะให้นักศึกษาไปทําเวรครับพี่น้องผมก็จะต้องขึ้นไปทําเวรชั้นสามข้อมูลสุดนะครับที่เป็นห้องชั้นบนนะครับก็ไปกวาดปัดเช็ดทูนะครับที่เขาแบ่งหน้าที่กันในแต่ละทิศนะฮะก็มีพี่คนหนึ่งบอกว่าแซก เห็นภูเขาไม้มนะครับผมบอกกัจะเห็นได้ไงล่ะพี่หมอกมันเต็มไปหมดเลยนะครับหน้าหนาวแล้วหมอกเต็มไปหมดเลยพี่คนหนึ่งบอกว่าหนุนใจนะแซกนะครับแม้ว่าหมอกมันจะเต็มไปหมดยังไงข้างหลังก็ยังมีภูเขาเสมอพป็นเอาที่ละครับแม้ว่าหมอกแห่งปัญหาหมอกแห่งความกังวลกวายหมอกแห่งความกังวลใจเกิดขึ้นในชุดของเราวันนี้ เรายังไงก็เห็นพระเจ้าในชีวิตของเราด้วยและในชีวิตของคนรอบข้างด้วยเอเมนไหมครับสนใจครับให้เรามองเห็นพวกเขาที่ยังตั้งต่ ง, งานและยังมองเห็นเสมอนะครับผมมีบทเพลงเพลงหนึ่งนะครับที่ผมแต่งขึ้นนะครับในช่วงที่ผมเนี่ยนะฮะอยากจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าจริงๆนะครับบทเพลงนี้อาจจะถูกแต่งขึ้นด้วยความระทุกทรนทนะครับนะฮะอาจจะไม่เหมือนบทเพลงพักพิงในพระเจ้า อาจจะไม่เหมือนบทเพลงพระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทางแต่วันนี้สิ่งที่ผมแต่งขึ้นมาผมกำลังอ้อนวอนพระเจ้าว่าขอพระองค์มาอยู่ใกล้และยืนยันในสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นจริงๆเป็นพระเจ้าจริงๆพระองค์ไม่ใช่ผีพี่น้องที่รักครับอยากให้เราใช้เวลานี้นะครับที่จะหลับตาแล้วก็สงบใจนะครับที่จะใช้เวลานี้ฟังเพลงนี้ด้วยกันนะครับ เจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์พระบิดาเจ้าข้าหลายครั้งเราอจะสงสัยหลายครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นพระองค์แต่เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่และเป็นพระเจ้าผู้ทรงเปลี่ยนไปด้วยความรักและพระคุณพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรพี่น้องของเราทั้งหลายที่นี่ให้ได้รับเรียลแรงกําลังที่มาจากพระเจ้าใครที่กําลังทุกข์ใจพระบิดาเจ้าข้า วันนี้เขาจะมองเห็นพระองค์ชัดขึ้นและชัดขึ้นพระบิดาเจ้าข้าแม้ว่าหมอกณเวลานั้นจะหนาทึบสักขนาไหนพระบิดาเจ้าข้าแต่เราเชื่อว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่และพระเจ้าองค์นี้ที่เราเชื่อไม่เคยใจร้ายกับเราพระบิดาเจ้าข้าโปรดทรงอวยพ ร, รพี่น้องเสริมกําลังเขาอวยพ ร, รเหนหน้าที่การงานที่เขาได้ทำแค่แต่พระเจ้าอวยพ ร, รเหนือทุกคนแค่แต่พระเจ้าที่มีส่วนในการรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าอวยพ ร, รเขาทวียิ่งขึ้น ใครที่ไม่สบายพระบิดาเจ้าข้าขอผานอังทรงฤทธิ์ของพระเจ้าแตะต้องรักษาเพราะพระองค์ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐยิ่งไปกว่านั้นพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นเยโฮวานิสีผู้ทรงเป็นชัยชนะเป็นธงชัยวันนี้พระเจ้าผู้ทรงนำหน้าเราเราเองไม่กลัวพระบิดาเจ้าค้าเราเองจะมองเห็นพระองค์เข้าใจพระองค์และติดตามพระองค์วันนี้ไม่เพียงเท่านั้นพระบิดาเจ้าข้าหลายคนและคนรอบข้างเราอาจจะยังไม่รู้จักพระเจ้าวันนี้พระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาอวยพรใ้เราที่จะ ได้นําความรักของพระเจ้าไปสู่คนเหล่านั้นเราจึงขอพระกุลพระองค์งด้วยกันในเช้านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าส่งไวพรพี่น้องทุกคนนะครับให้เรามีประสบการณ์กับพระเจ้าด้วยกันเราบอกคนข้างๆดีไหมครับมีประสบการณ์กับพระเจ้าด้วยกันมีประสบการณ์กับพระเจ้าด้วยกันนะครับและเราจะสามารถชื่นชมยินดีได้ครับอาเมนนะครับอขอบพระเจ้าไวพรนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับเช้าวันนี้